มิลินทปัญหาของกรมศิลปากรมิลินทปัญหาอุปมากถาปัญหาสีหวักที่ห้าเรื่ององค์แห่งราชสีเจ็ดประการสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีจึงตรัสถามต่อไปว่าพันเตนาคเสณข่าแต่พระผู้เป็นเจ้าหน้าคาเสณ องแห่งราชสีเจ็ดประการเป็นไฉไคือสิ่งไรบ้างพระนาคเสนจรึงถวายพระพรว่ามหาราชะดุรานะบพิษพระราชสมภารผู้ประเสริฐธรรมดาว่าราชสีเหล่าปันดุย่อมเป็นสัตว์ขาวบริสุทธิ์ผุดผ่องปราศจากมนทินยะถามีครุวนาฉันใด พระโยคาวาจรนเจ้าก็เป็นผู้มีสันดานขาวบริสุทธิ์ผุดผ่องปราศจากมนทินไม่มีความรังเกียจต่อความพระพติปฏิบัติดุดราชสีอันขาวบริสุทธิ์ฉะนั้นนี่แหละเป็นองค์แห่งราชสีเป็นปฐมปุณจจะบรังอีกประการหนึ่งเล่ามหาราชะดูรานะบพิษพระราชสมผานธรรมดาว่าราชสีย่อมเที่ยวไปด้วยเท้าสี ประกอบด้วยลีลาดอันงดงามยะถามีครุวนาฉันใดพระโยคาวจรเจ้าก็เที่ยวไปด้วยอิทธิบาททั้งสี่ประการดุดราชสีฉันนั้นนี่แหละเป็นองค์แห่งราชสีคำรบสองปุณจจะปรังอีกประการหนึ่งเล่ามหาราชะดุรานะบพิษผู้มีศักดิ์เป็นอัครกษัตริย์อันประเสริฐธรรมดาวาราชสี ย่อมมีรูปงามและมีสร้อยที่คอสวยสะอาดรุ่งเรืองรูจียะถามีครุวนาชันใดพระโยคาวจรเจ้าก็มีรูปงามมีสร้อยคอคือศีล ร, รุ่งเรืองรูจีเหมือนฉันนั้นนี่แหละเป็นองค์แห่งราชสีคำรบสามปุณจจะปรังอีกประการหนึ่งเล่ามหาราชะ ดูราณะบอพิษผู้มีศักดิ์เป็นอัคราษตร์อันประเสริฐธรรมดาวาราชสีแม้จะต้องเสียชีวิตถึงแก่ความตายก็ไม่ได้ยอมอ่อนน้อมแก่สัตว์เหล่าใดเหล่านึงย่อมยอมตายจะได้เสียดายชีวิตหามิได้ยะถามีครุวนาฉันใดพระโยคาวจรเจ้าก็ยอมเสียสละได้จะได้ประจบคฤรหัดเป็นกูลทูสกะ หาปัจจัยสี่คือจีวนบินทบาทเสนาสนะขิลานเพศสัตวเลี้ยงชีวิตหาไม่ได้ดุจราชสีอันสู้สละชีวิตฉันนั้นนี่แหละเป็นองค์แห่งราชสีคำรบสี่ปุณณจะปรังอีกประการหนึ่งเล่ามหาราชะดุรานะบพิษผู้เป็นอัครกษัตริย์อันประเสริฐธรรมดาว่าราชสีย่อมหาอาหารไปโดยลำดับ ได้อาหารในที่ใดก็บริโภคในที่นั้นพอแก่ประโยชน์จะได้เลือกเอาแต่เนื้อที่ดีๆนั้นหาไม่ได้ยะถามีครุวนาฉันใดพระโยคาวาจรเจ้าก็เที่ยวบินภบาตไปตามลำดับตรอกจะได้เลือกตระกูลหรือเลือกโภชนาหารหาไม่ได้สแสวงหาได้ในที่ใดก็บริโภคในที่นั้น ด้วยความประสงค์จะดำรงเสรีระร่างกายให้เป็นไปเท่านั้นและจะได้เลือกว่าผูชนะประเสริฐก็หาไม่ได้ดุจราชสีฉะนั้นนี่แหละเป็นองค์แห่งราชสีคำรบห้าปุณะจะปรังอีกประการหนึ่งเล่ามหาราชะดุรานะบพิษผู้มีศักเป็นอัครกษัตริย์อันประเสริฐธรรมดาวาราชสี จะได้กระทาสันนิธิเก็บอาหารไว้บริโภคอีกหาไม่ได้บริโภคเนื้อคราวเดียวแล้วก็ไม่เก็บไว้บริโภคอีกต่อไปยะถามีคุรุวนาฉันใดพระโยคาวจรเจ้าก็ไม่ได้กระทาสันนิธิเก็บปัจจัยไว้บริโภคดุจราชสีฉันนั้นนี่แหละเป็นองค์แห่งราชสีคำรบหกปุณจจะปรัง อีกประการหนึ่งเล่ามหาราชะดูราณะบพิษผู้มีศักเป็นอรากษัตริย์อันประเสริฐธรรมดาวาราชสีเมื่อหาอาหารไม่ได้ก็ไม่สะดุ้งตกใจแม้ว่าหาได้ก็ไม่ได้มัวเมาบริโภคยะถามีครุวนาฉันใดพระโยคาวจรเจ้าเที่ยวบินทบทไม่ได้ก็ไม่สะดุ้งตกใจแม้ว่าได้ ก็ไม่ได้มัวเมาพิจารณาเห็นโทษแห่งอาหารบริโภคดุจราชสีฉันนั้นนี่แหละเป็นองค์แห่งราชสีคำรบเจ็ดยุติด้วยพระพุทธดีกาที่พระมหากรุณาตรัสสรรเสริญพระมหากัสปะเทระเจ้าไว้ในสังยุตตนิกายอันประเสริฐว่าสันตุถโถยังพิคเวกัสโปอิตรีตเรณจีวเรณนะ อิตรีตเรนะปินดปาเตนะอิตรีตระปินดปาตะสันตุทิยาจ่วันนวาทีนะจ่ปินดปาตะเหตุอเนสนางอปติรูปังอาปัชชติเป็นอาทิมีใจความว่าพิกเวดูรานะภิษุทั้งหลายผู้ทรงศีลบริสุทธ์สํำแดงกัสปะนี้ เป็นผู้สันโดษด้วยจีวรและบินทบาทตามมีตามได้เจ้ากูย่อมสรรเสริญแห่งความสันโดษในบินทบาทตามมีตามได้และจะได้ประพฤติอเนศนกรรมอันไม่สมควรเพราะเหตุแห่งบินทบาทหาไม่ได้เมื่อเที่ยวบินทบาทไม่ได้ก็ไม่สะดุ้งตกใจครั้นแล้วว่าได้ก็ไม่ได้สงบมัวเมาเป็นผู้เห็นโทษในอันบริโภคปัจจัย พวกเธอทั้งหลายพึงกระทําตามที่ตถาคตตรัสให้ฟังนี้ทุกประการดังนี้ขอถวายพระพรเรื่ององค์แห่งนกจากกระพราคสามประการสมเด็จพระเจ้ามิลินปินประชาจึงตรัสถามต่อไปว่าพันเตนาคเสณนะข่าแต่พระนาคเสนผู้ปรีชาที่พระผู้เป็นเจ้ากล่าวว่า องแห่งนกจากกพระราษมประการนั้นเป็นอย่างไรพระนาคเสนจิงวิสัชนาแก้ไขว่ามหาราชดูรานะบพิษพระราชสมภารผู้เป็นอัคราษตร์อันประเสริฐธรรมดาว่านกจากกพระรากจะได้สละภรรยานั้นหาไม่ได้ย่อมเป็นคู่อยู่เคียงกันไปจนสิ้นชีวิตยะถามีคุรุวนาฉันใด พระโยคาวาจอนเจ้าก็ไม่ได้ทอดทิ้งเสียซึ่งโยนิโสมนสิการจนตลอดชีวิตเหมือนนกจากกะพรากฉะนั้นนี่แหละเป็นองค์แห่งนกจากกะพรากเป็นปฐมปุณะจะปรังอีกประการหนึ่งเล่ามหาราชะดุราณะบพิษผู้เป็นอัคราษตร์อันประเสริฐธรรมดาว่านกจากกะพรากย่อมบริโภคหอยและสาหร่ายใบไม้เป็นอาหาร และสันโดษยินดีอยู่ด้วยหอยสาหร่ายใบไม้เหล่านั้นนกจากกระพรากนั้นก็ไม่ได้เสื่อมจากกรรมกายและผิวพันธ์ทั้งอยู่ได้เป็นปกติยะถามีครุวนาฉันใดประโยคาวจรเจ้าสันโดษด้วยปัจจัยตามมีตามได้ก็ไม่ได้เสื่อมจากศีลสมาธิปัญญาและวิมุตติวิมุตติญาทณทัศนะ สัพพากุศลธรรมทุกประการตั้งอยู่ได้เป็นปกติดุดนกจากกระพรากฉันนั้นนี่แหละเป็นองค์แห่งนกจากกระพรากคำรบสองปุณณจะปรังอีกประการหนึ่งเล่ามหาราชะดุรานะบพิษพระราชสมภารผู้ประเสริฐธรรมดาว่านกจากกระพรากย่อมไม่ได้ฆ่าสัตว์ฉันใดพระโยคาวะจรเจ้า ก็วางท่อนไม้และสตราอาวุธเสียมีความละอายอยู่มิได้ฆ่าสัตว์ทั้งหลายเป็นผู้ประกอบไปด้วยจิตเมตตากรุณาแก่สัตว์ทั้งหลายดุดนกจั ก, กรพรากมิได้ฆ่าสัตว์ฉันนั้นนี่แหละเป็นองค์แห่งนกจั ก, กรพราก ค, คำรบสามยุติด้วยพระพุทธดีกาที่สมเด็จพระมหากรุณาสัมมาสัมพุทธพระควัรตะบพิจเจ้าตรัสพระสัทธรรมเทศนา ในจักกะวากะชาดกว่าโยนะหันตินะคาเตตินาะชินาตินะชาเปเยเมโตโสสัพพภูเตสุเวรังตัสะนาเกนะจิมีความว่าบุคคลผู้ใดไม่เบียดเบียนสัตว์เองก็ดีไม่ใช้ให้คนอื่นเบียดเบียนก็ดีและไม่ได้ชนะเองมิให้คนอื่นชนะท่านบุคคลผู้นั้น เป็นผู้มีเมตตาในสัพพสัตทั่วไปจะได้มีเวรติดตามเกี่ยวข้องกับด้วยผู้ใดผู้หนึ่งหาไม่ได้ดังนี้ขอถวายพระพรเรื่ององค์แห่งนกเงือกสองประการสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีจึงมีพระราชองค์การตรัสถามปัญหาต่อไปว่าพันเตนาคเสนะข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าผู้ปรีชาเฉลิมปราดพระผู้เป็นเจ้ากล่าวไว้ว่า องสองแห่งนางนกเงือกนั้นเป็นประการใดเล่าพระนาคเขษสนจึงถวายพระพรว่ามหาราชขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารธรรมดาว่านางนกเงือกย่อมริษยาแก่ผัวของตนหึงผัวตนให้อยู่รักษาแต่ลูกในโพรงแล้วคาบเหยื่อที่พึงใจไปใส่ลงในโพรงปิดปากโพรงเสียด้วยสิ่งอันลามก เลี้ยงสามีไว้ในโพรงธามะการเกณนะด้วยกำลังตนยะถามีขรุวนาฉันใดพระโยคาวจรเจ้าก็พึงอย่าได้อีนางน้อมจิตไปในกิเลสเมื่อกิเลสจะเข้ามาใกล้ก็พึงใส่ลงไปในโพรงคือศีละสังวรแล้วพึงชื่นชมยินดีในกายคตาสติด้วยมโนทวานเปรียบดังนาง น, นกเงือก เมื่อฟักไข่อันหึงผัวให้อยู่ในโพรงแล้วคาบเอาสิ่งลามกปกปิดปากโพรงไว้เลี้ยงสามีตามชาติของตนฉันนั้นนี่แหละเป็นองค์แห่งนางนกเงือกเป็นปฐมปุณะจะปรังอีกประการหนึ่งเล่ามหาราชะดูรานะบพิษพระราชสมภารผู้มีศักเป็นอัครกษัตริย์อันประเสริฐเวนาหิกานามะ ชื่ออันว่านางนกเงือกนั้นเที่ยวไปแสวงหาเหยือ่อเมื่อเวลาเย็นก็บินมาสู่ฝูงแห่งตนเพื่อป้องกัน ร, รักษากายไว้ยะถามีครุวนาฉันใดพระโยคาวจรเจ้าเมื่อซ่องเสพซึ่งเสวิตพระธรรมอันตนรักษาอยู่ในที่อันวิเวกแต่ผู้เดียวเพื่อพ้นจากสัญโยชนะธรรมทั้งปวง เมื่อหมดความยินดีในที่นั้นแล้วก็กลับมาสู่หมู่คณะสงฆ์เพื่อจะดับเสียซึ่งความค่อนขอดคอรหาและภัยทั้งปวงนี่แหละเป็นองค์แห่งนางนกเงือกเป็นคำรบสองยุติด้วยคำอันเท้าสหัมบดีพรมกราบทูลแก่สมเด็จพระทุศพลยานเจ้าไว้เสวัฏปันตานิสยนาสนานิ จรยะสัญโยชนะวิปปโมคขังสเจรติงนาที่คัดเฉยตถะถสังเขวเสยยะรคิตตาสติมามีความว่าพระโยคาวาจรเจ้าซึ่งปรารถนาจะพ้นจากสังโยชน์พึงมาเสพซึ่งเสนาสนะอันสงัดประพฤติธรรมที่จะพ้นจากสังโยชน์แม้ไม่อินดีแล้วพึงกลับเข้าอยู่ในหมู่สง์ เพื่อจะได้รักษาไว้ซึ่งตนดังนี้เรื่ององค์แห่งนกกระจอกประการหนึ่งสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีจึงมีพระราชองค์การตรัสถามต่อไปว่าพันเตนาคเสนะข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าผู้ปรีชาเฉลิมปราดันว่าองค์แห่งนกกระจอกอย่างหนึ่งนั้นเป็นประการใดพระนาคเสนจึงถวายพระพรว่า มหาราชะดุราณะบพิษพระราชสมภารผู้มีศักเป็นอัครกษัตริย์อันประเสริฐคระโปตโกนามะชื่อว่านกกระจอกนั้นอาศัยเรือนผู้อื่นอยู่จะได้ถือเอานิมิตแห่งสิ่งของอันใดของเขาไปหาไม่ได้มีใจมัตยัดมากด้วยสัญญาอาศัยอยู่ยะถามีขรุวนาฉันใด พระโยคาวาจรเจ้าเมื่อเข้าไปสู่ตระกูลก็ไม่พึงถือเอานิมิตในที่นั่งและที่นอนในเครื่องประดับและผ้าหรือเครื่องอุปโภคบริโภคและภาชนะวิกัดทั้งหลายเมื่อเข้าไปก็พึงมัธยัตกำหนดสัญญาว่าตนเป็นสมณะดังนี้นี่แหละเป็นองค์อันหนึ่งแห่งนกกระจอ ยุติด้วยพระพุทธดีกาที่สมเด็จพระบรมโลกร น, น า, าศสดาสัมมาสัมพุทธพระวันตะบพิตรตรัสพระสธรรมเทศนาไว้ในจุลนารทะชาดกว่าปวิสิตวาประกุเลปาเนนะโพเชเนนะว่ามิตังขาเทมิตังพุญเชณัจะรูปเปมะนังกเรมีความว่าธรรมดาภิกษุ จะไปสู่ตระกูลอื่นด้วยต้องการปาณะและโภชนะนั้นพึงเคี้ยวกินบริโภคกินซึ่งปาณะและโภชนะที่เขาให้ด้วยความนับถือแต่อย่าพึงกระทําใจให้หลงไปในรูปขอถวายพระพรเรื่ององค์แห่งนกเขาสองประการสมเด็จพระเจ้ามิลินปินนาราธิปดีบรมกษัตริย์มีพระราชองค์การตรัสถามว่า พันเตนาคเสนะฆ่าแต่พระผู้เป็นเจ้าพระนาคเสนพระผู้เป็นเจ้ากล่าวไว้ว่าองสองแห่งนกเขานั้นเป็นประการใดพระนาคเสนจึงถวายพระพรว่ามหาราชดุรานะบพิษพระราชสมภารผู้มีศักเป็นอัครกษัตริย์อันประเสริฐธรรมดาว่านกเขา้าเป็นศัตรูกับกาครั้นเวลากลางคืน ก็ตีฝูงกาเป็นอันมากยะถามีครุวนาฉันใดพระโยคาวจรเจ้าก็ไม่เข้ากันกับอวิชชาแต่อาตมาผู้เดียวเข้าไปในที่สงัดพึงรบพุ่งย่ำยีเสียซึ่งตัวอวิชชานั้นตัดให้ขาดศูนย์ตลอดรากตะถาดังนกเขาอันตีซึ่งฝูงกาฉันนั้นนี่แหละ เป็นองค์แห่งนกเขาเป็นปฐมปุณณจะปรังอีกประการหนึ่งเล่ามหาราชะดูรานะบอพิษพระราชสมภารผู้มีศักดิ์เป็นอัครกษัตริย์อันประเสริฐธรรมดาว่านกเขาอยู่ป่าลับเรนซ่อนอยู่ยะถามีครุวนาฉันใดพระโยคาวจรเจ้าก็พึงยินดีในที่เรนที่สงัด ปานดังนกเขาฉ น, นั้นนี่เป็นองค์แห่งนกเขาคำรบสองยุติด้วยพระพุทธดีกาที่สมเด็จพระมหากรุณาธิคุณเจ้าตรัสไว้ในสังยุตตนิกายว่าปฏิสันลิโนโพิเคเวโยฆมาปัชธปติสันลิโนพิเคเวภิขุปฏติสันลานาราโมปฏิสันลานะระโตอิทังทุกขันติ ยถาภูตังปัานาติอยังทุกขสมุทยโยติละอยังทุกขนิโรโทโติละอยังทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาติยถาภูตังปัานาติแปลความว่าภิกเวดูราณะสง์ท่านจงปฏิบัติหาที่สงัดชมชานเถิดพระโยคาวจรเจ้าผู้ใด กำนัดยินดีในการชมชานแล้วพระโยคาวะจรเจ้านั้นอาจรู้ดังนี้ว่าอิทังคือสิ่งนี้แหละเรียกว่าทุกขอาจรู้ว่าสิ่งนี้แหละเป็นทุกขสมุ ท, ทยัยอาจรู้ว่าสิ่งนี้แหละเป็นทุกขนิโรธอาจรู้ว่าสิ่งนี้แหละเป็นทุกขนิโรธาคามินีปฏิปทาดังนี้ขอถวายพระพร เรื่ององค์แห่งตะขาบหนึ่งประการสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิปดีจึงมีพระราชองคการตรัถามด้วยองหนึ่งแห่งตะขาบต่อไปพระนาคเกษ จ, จึงวิสัชนาว่ามหาราชะดูรานะบพิษพระราชสมภารผู้มีศักเป็นอัร拉กษัตร์อันประเสริฐธรรมดาว่าตะขาบท้าร้องขึ้นแล้วย่อมบอกเหตุแห่งความกเกษมและภัยแห่งบุคคลอื่นชั้นใด พระอยู่ข่าววจอนเจ้าก็สำแดงธรรมบอกอากุศลกรรมว่าอากุศลกรรมจะนำไปสู่อบายส่วนกุศลจะให้ผลนำไปสวรรค์บอกเหตุดีและชั่วแก่ประชาชนทั้งปวงดุจตะขาบอันร้องฉันนั้นนี่แหละเป็นองค์อันหนึ่งแห่งตะขาบยุติด้วยคำที่พระปิณโดลภพารัววชะเถระผู้เป็นเจ้ากล่าวไว้ว่า นิระเยพยสันตาสังนิพพาเนวิปุลังสุขังอุพยาเนตานิอัฏฐานิเทศิตพานิยคินาแปลว่าธรรมดาพระโยคาวจรเจ้าพึงสำแดงบาปบุญคุณโทษโปรดเวนยชนทั้งปวงและพึงสำแดงทางพระนิพพานอันเป็นแก่นสารนำมาซึ่งสุขอันไพยบู์ และพึงสำแดงซึ่งประโยชน์สองประการดังนี้ขอถวายพระพรเรื่ององค์แห่งค้างคาวสองประการสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิปดีจึงมีพระราชองค์การตรัถามด้วยองค์สองแห่งค้างคาวต่อไปพระนาคเสนจึงวิสัชนาว่ามหาราชดุราณะบพิษพระราชสมภารผู้มีศักด์เป็นอัคราษฎรอันประเสริฐ ธรรมดาว่าค้างข่าวเที่ยวไปในเรือนอื่นแล้วย่อมออกไปจะได้กังวลอะไรอยู่ที่เรือนนั้นไม่ได้ยะถามีครุวนาฉันใดพระโยคาวจรเจ้าเข้าไปบินธบาตในบ้านแล้วก็ไม่ได้อาลัยกังวลอยู่ด้วยบ้านปานดุดค้างข่าวอันบินไปสู่เรือนผู้อื่นไม่ได้อาลัยที่จะอยู่นั้นนี่แหละ เป็นองค์แห่งค้างขาวเป็นปฐมปุณณจะปรังอีกประการหนึ่งเล่ามหาราชะดุรานะบพิษพระราชสมภารผู้ประเสริฐธรรมดาว่าค้างขาวเมื่อไปอยู่ในตระกูลอันอื่นก็มิได้กระทำความชิบหายให้คนทั้งหลายนั้นยะถามีครุวนาฉันใดพระโยคาวาจอนเจ้าเข้าไปสู่ตระกูลอันใด ก็ไม่ให้ตระกูลอันนั้นเดือดร้อนอติยาปณะพะหุละตายะวาด้วยความมากๆยิ่งประมาณก็ดีอติวินยติพหุละตายะวาด้วยวินยัตยิ่งประมาณก็ดีอติพหุพาณิตายะวาด้วยภาวะพูดมากยิ่งก็ดีสมานะสุขทุกขะตายะวาด้วยภาวะเสมอด้วยสุขและทุกข์ก็ดี อัตโนโมูลกังทำมังประการหนึ่งจะให้ธรรมเนียมของตนเสื่อมไปก็หาไม่ได้พึงยังความจำเริญให้มีโดยส่วนเดียวนี่แหละเป็นองค์แห่งข้างข่าวคำรบสองยุติด้วยพระพุทธดีกาที่สมเด็จพระมหากรุณาธิคุณเจ้ากล่าวไว้ในลักษณะสังยุตตสูตรในทีฆะนิกายว่าสัตยะสีเลนะสุเตนะพุทธิยา จาเคนะธรมเเน ะ, ะหูหิสาทุภิทานเนะทันเยนะจะเขตวัตถุนาปุตเตหิทารหิจตุปปเทหิยาตีหิมิตเตหิจะพันทเวหิพระเลนะวันเเนะสุเขนะจูพยังกระทังนะหาเยยยุนติปรปเรหิอิชฉติอัทังสมิธันจปะปนาพิกังคติ มีความว่าพระโยคาวจรเจ้าย่อมปรารถนาต่อชนเหล่าอื่นว่าเป็นชะไหนหนอมหาชนทั้งหลายจะไม่พึงเสื่อมจากศรัทธาและศีลสุตตะจาคะปัญญาและกุศลธรรมสับปริสธรรมเป็นอันมากและเงินทองสิ่งของไรนาเลือกสวนและบุตรภรรยาสัตว์สองเท้าสี่เท้า และญาติมิตรพวกพ้องวงวานและพละวันนะสุขะในโลกนี้และโลกหน้าทั้งสองประการและพระโยคาวาจรเจ้านั้นย่อมมาจำนงใจให้เขามั่งคั่งสมบูรณ์ด้วยสิ่งเหล่านั้นดังนี้ขอถวายพระพรบอพิษพระราชสมภารเรื่ององค์แห่งปริงประการหนึ่งสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดี จึงมีพระราชองค์การตรัสถามต่อไปว่าพันเตนาคเสนะข้าแต่พระผู้เป็นเจ้านาคเสณผู้ปรีชาเฉลิมปราดพระผู้เป็นเจ้าว่าองค์อันหนึ่งแห่งปริงนั้นเป็นประการใดเล่าพระนาคเสณจึงถวายพระพรว่ามหาราชะดุรานะบพิษพระราชสมภารผู้มีศักดิ์เป็นอครกษัตย์อันประเสรศิฐธรรมดาว่าปริง กาอยู่ในคนและสัตว์ใดแล้วก็เกาะมั่นและมันสูบกินซึ่งโลหิตยะถามีครุวนาฉันใดพระโยคาวจรเจ้าปรารถนาจักนำจิตไปในอารมณ์ภาวนาอันใดพึงยึดเอาอารมณ์ภาวนาอันนั้นให้มั่นโดยสันฐานโดยเพศโดยนิมิตแล้วพึงเสพซึ่งวิมุตติรสด้วยอารมณ์ฉันนั้น นี่แหละเป็นองค์อันหนึ่งแห่งปลิงยุติด้วยถ้อยคำอันพระอนุรธธทุทธเถระเจ้ากล่าวไว้ว่าปริสุทธะวิมละจิตเตนะอารัมมณีนะปฏิถเปตวาเตนะจิตเตนะปาตะพังวิมุติรสมะเสจนังแปลความในพระคาถาว่าพระโยคาวจรเจ้าพึงตั้งไว้ซึ่งอารมณ์ ด้วยจิตอันบริสุทธิ์หามนถิ่นไม่ได้แล้วพึงเสพซึ่งวิมุตติรสอันเป็นเครื่องให้เกิดปีติยินดีด้วยจิตนั้นดังนี้ขอถวายพระพรเรื่องอ ง, งแห่งงูสามประการสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินธราธิปดีจึงมีพระราชโอการตรัสถามว่าองค์แห่งงูสามประการนั้นประการใดเล่า พระนาคเสนจิงถวายพระพรว่ามหาราชะดุรานะบอพิษพระราชสมภารผู้ประเสริฐธรรมดาว่างูย่อมเลื้อยไปด้วยอุระยะถามีครุวนาฉันใดพระโยคาวจรเจ้าก็พึงเที่ยวไปด้วยปัญญาและท่านย่อมเว้นเสียซึ่งสิ่งปราศจากลักษณ ะ, จะเจริญแต่สิ่งที่มีลักษณะ คือพระไตรลักษณ์านฉันนั้นนี่แหละเป็นองค์แห่งงูเป็นปฐมปุณณจะปรังอีกประการหนึ่งเล่ามหาราชะดุราณะบพิษพระราชสมพานผู้มีศักดิ์เป็นอัครกษัตริย์อันประเสริฐสับโปธรรมดาว่างูนั้นเที่ยวไปปะต้นยาเข้าก็เลี่ยงหลีกไปให้พ้นต้นยายะถา มีครุวนาฉันใดพระโยคาวจรเจ้าพึงงดเว้นเสียซึ่งทุจริตดุดงูอันหลีกให้พ้นต้นยาฉะนั้นนี่แหละเป็นองค์แห่งงูคำรบสองปุณะจะปรังอีกประการหนึ่งเล่ามหาราชะดูรานะบอพิษพระราชสมภารผู้มีศักเป็นอัครกษัตริย์อันประเสริฐสัพโปอันว่างงูครั้นกัดมนุษย์เข้าแล้ว ก็คิดจะหลีกหลบไปยะถามีครุวนาฉันใดพระโยคาวจรเจ้ากำจัดเสียซึ่งวิตกผิดแล้วห้ามปรามมิให้ความไม่ยินดีบังเกิดพึงวิตกโดยมากว่าวันล่วงไปได้เท่านี้แล้วไม่ควรจะประมาทเหตุว่าวันล่วงแล้วมิอาจจะกลับได้ดังนี้นั้นนี่แหละเป็นองค์แห่งงู คำรบสามยุติด้วยพระพุทธดีกาที่สมเด็จพระมหาการุณาธิคุณเจ้าตรัสพระสธรรมเทศนาไว้ในกินนรชาดุกโดยคำของกินนอนสองตนกล่าวกับพรานป่าว่ายะเมกระติงว Ak ิปปาวสิมหลุทธกะอากามกาอัญญมัญยงสริตวาตะเมวะรติมนุตัปปะมานา โสจามะสารติปูนั น, นเหตุสติมีความว่าดุรานะพรานป่าเราพลัดพรากจากกันราตรีใดก็เราร้อนโศกเศร้าด้วยเราเระลึกถึงกันตลอดราตรีนั้นและเราจะได้ราตรีที่พลัดกันคืนมาอีกหาไม่ได้ดังนี้ขอถวายพระพรเรื่อง องคแห่งงูเหลือมประการหนึ่งสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมิินทราธิบดีจึงมีพระราชองค์การตรัสถามด้วยองค์แห่งงูเหลือมต่อไปว่าองค์แห่งงูเหลือมอันหนึ่งนั้นเป็นไนพระนาคเษนจึงถวายพระพรว่ามหาราชาดูราณะบพิษพระราชาสมภารผู้มีศักดิ์เป็นอัคราษัตริย์อันประเสริฐอชาชัคโรนามะชื่อว่างูเหลือมนั้น เลี้ยงชีวิตตนตามประมาณอาหารยะถามีขรุวนาชันใดพระโยคาวจรเจ้าเที่ยวไปบินทบดได้อาหารมากก็พึงบริโภค พ, พอเป็นยาปนามัตฉันนั้นแม้ได้อาหารน้อยแต่สี่คำหรือห้าคำพึงขยํำกับอุทกังแล้วจริงฉันนี่แหละเป็นองค์อันหนึ่งแห่งงูเหลือมยุติด้วยถ้อยคำ อันพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรเถระเจ้ากล่าวไว้ว่าอลังสุขขันจะพุนชนโตณพานหะสุหิตโตสยียาอูนุทโรมาตตาหาโรสโตพิกุปริพพเชจัตาโรปัญจอาโลเปอพุตตวาอุทธกังปิเวอลังพาสุวิหารายะ ปหิตตัสสะพิกุโนมีความว่าธรรมดาเป็นภิกษุเมื่อได้บริโภคอาหารอันสดก็ดีแห้งก็ดีอย่าได้หวังประโยชน์ดีในการบริโภคหนักๆนะประการหนึ่งพึงให้ท้องพร่องไว้บริโภคแต่พอประมาณมีสติเว้นคาข้าวไว้เพียงสี่คำหรือห้าคำอย่าให้อิ่มเต็มที่นะ ครั้นไม่ได้บริโภคแล้วพึ่งดื่มกินซึ่งน้ำทำดังนี้แหละสมควรแก่ภิกษุผู้เป็นโยคาวจร น, นั้นเพื่อจะได้อยู่เป็นสุขสำราญดังนี้ขอถวายพระพรจบสีหวักที่ห้าแต่เพียงนี้ในที่สุดวักนี้พระคันธารจนาจารย์เจ้าผูกอุทานคาถากล่าวหัวข้อบทมาติกา ที่แสดงมาข้างต้นนั้นไว้ว่าเกสรีจ ja, ah ja, ักกวาโกจะเวนาหิครโปตโกอุลุโกสตะปัตโตจะวัคุลีเจวะชันลุกาสัปโปอาชะคโรเจวะวัคโคเตนะปวุจติมีใจความว่าองค์แห่งราชสีองค์แห่งนกจากกะพรากองค์แห่งนกเงือก องแห่งนกกระจอกอง์แห่งนกเขาอง์แห่งตะขาบอง์แห่งค้างคาวอง์แห่งปลิงอง์แห่งงูอง์แห่งงูเลือมเหล่านี้ท่านจัดเป็นวรรคหนึ่งดังนี้แล